มีครอบครัวของผู้มีอันจะกินครอบครัวหนึ่งสมาชิกในครอบครัวประกอบด้วยพ่อแม่แล้วก็ลูกสาวแสนจะน่ารักอีกคนหนึ่งมีชื่อว่านานานานาเ น, นี่เป็นบุตรสาวที่พ่อแม่รักยังกะแก้วตาดวงใจอะไรที่เป็นความสุขของนานาพ่อกับแม่ก็จะสรรหามาให้ แม้ว่าจะดูเหมือนเป็นเด็กที่ถูกตามใจแต่นานาซึ่งเป็นเด็กน่ารักก็ไม่เคยใช้ความรักของพ่อแม่มาเป็นเครื่องต่อรองเพื่อจะเรียกร้องในสิ่งที่ไม่เหมาะสมนานารู้ว่าพ่อแม่รักเธอมากถ้าเธอเป็นเด็กดีพ่อกับแม่ก็จะมีความสุขแต่ถ้าเธอเป็นเด็กไม่ดีพ่อกับแม่ก็จะทุกข์ทรมานนานาอยากให้พ่อกับแม่มีความสุขดังนั้นเธอจึงเลือกที่จะเป็นเด็กดีแล้วก็ประพฤติแต่ในสิ่งที่ดีด ซึ่งก็ทำให้พ่อแม่ของเธอมีความสุขมากจริงๆวันนั้นเป็นวันเกิดครบรอบ12ขวบของนานาพ่อกับแม่ก็ถามเธอว่าอยากจะได้อะไรเป็นของขวัญ น, นานาก็บอกว่าหนูอยากจะจัดงานเลี้ยงวันเกิดที่มีรอยยิ้มของเด็กมากมายมาร่วมฉลองกับหนูด้วยค่ะเธอบอกแล้วก็ยิ้มอ่า พ่อแม่ก็บอกว่าได้สิลูกเอ้ยพ่อกับแม่จะจัดงานเลี้ยงที่ยิ่งใหญ่ให้กับหนูนะแล้วก็เชิญเพื่อนๆที่โรงเรียนทุกคนมาร่วมงานนี้ด้วยพ่อของนานาก็รีบสนองความต้องการของลูกสาวแต่นานาไม่ได้ต้องการแบบนี้เธอก็กล่าวค้านบอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นหรอกค่ะหนูไม่ต้องการฉลองกับเพื่อนเพื่อนที่โรงเรียนเพราะว่าเพื่อนๆทุกคนล้วนมีทุกสิ่งทุกอย่างพรั่งพร้อมอยู่แล้ว พวกเขาอาจจะยิ้มแล้วก็หัวเราะที่ได้ร่วมสนุกในงานแต่นั้นไม่ใช่รอยยิ้มของคนที่อยากจะยิ้มจริงๆหนูอยากจะเห็นรอยยิ้มของเด็กๆที่อยากจะยิ้มแต่ไม่เคยได้ยิ้มต่างหากนะคะพ่อกับแม่เข้าใจในสิ่งที่นานาพูดทันทีด้วยความเป็นคนโอบอ้อมอารีนานาก็อยากจะมอบความสุขในวันเกิดของเธอให้คนอื่นๆด้วยนั่นเอง ดังนั้นพ่อกับแม่ของนานาก็ติดต่อไปที่บ้านเด็กกําพร้าแห่งหนึ่งเพื่อจะขอจัดงานเลี้ยงวันเกิดให้แก่นานานที่นั่นซึ่งเจ้าหน้าที่บ้านเด็กกาพร้าก็ตอบรับกลับมาอย่างยินดียิ่งดังนั้นครอบครัวของนานาจึงช่วยกันจัดเตรียมข้าวของและขนมมากมายให้เพียงพอแก่เด็กกาพร้าที่นั่นเมื่อไปถึงก็มีเด็กมากมายยืนรออยู่แล้วหลังจากจัดสถานที่เสร็จงานเลี้ยงก็เริ่มขึ้น แม่ของนานาร้องลั่นเลยตายแล้วนี่ฉันหยิบเทียนวันเกิดขาดไปสามเล่มนะพ่อก็บอกว่าทําไมคุณไม่รอบครอบเลยนะน า, นานาอายุครบสิบสองขวบวันนี้แต่คุณกลับเอาเทียนมาแค่เก้าเล่มลูกต้องเสียใจแน่ๆเลยที่มีเทียนปักอยู่บนเค้กของแกไม่ครบแต่น า, นานาเดินมาได้ยินเข้าพอดีเธอก็เข้าไปหาพ่อกับแม่แล้วก็บอกอย่างอารมณ์ดีบอกว่าอย่าทะเลาะ ก, กันเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ เรื่องแค่นี้นะ่ะไม่ทําให้หนูเสียใจหรอกค่ะเพราะฉะนั้นพ่อกับแม่ของนานาก็เลิกต่อว่ากันแล้วก็หันไปบอกเจ้าหน้าที่บ้านเด็กกำพร้าว่าเออถ้าอย่งางงั้นทุกอย่างก็พร้อมแล้วละ่ะนะเริ่มงานเลี้ยงกันเลยเถอะเอาล้วนาน า, นาเตรียมอธิษฐานแล้วตัดเค้กนะลูกแต่เจ้าหน้าที่บ้านเด็กกำพร้าคนหนึ่งก็ยกมือขึ้นขัดจังหวะและกล่าวอย่างเกรงอกเกรงใจบอกว่าเออขอขอความการุณาคอยอีกสักประเดี๋ยวได้ไหมคะ ยังมีเด็กคนหนึ่งยังไม่ได้อยู่ที่นี่เพราะวันนี้แกงอแงแต่เช้าไม่ยอมออกจากห้องเลยแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่ไปรับตัวแกมาแล้วช่วยรออีกนิดเะค่ะโมโม่เนี่ยแกไม่เคยได้เห็นงานแบบนี้ไม่เคยได้กินขนมเค้กนี่เป็นงานเลี้ยงครั้งแรกในชีวิตของแกเสียและนะคะทันทีที่พูดจบเจ้าหน้าที่อีกคนก็จูงโมโม่เดินเข้ามาในงานดูแวบเดียว ก็รู้ว่าโมโม่ไม่เต็มใจที่จะมางานนี้นะักหน้าของเธอบิดเบี้ยวเหมือนคนเจ็บทรมานและแววตาของเธอก็ดูไม่เป็นมิจฉาใครๆเลยแต่ทันใดนั้นเองพอสายตาของโมโม่หันไปเห็นขนมเค้กแสนสวยปักเทียนก้าวเล่มตร anggan อยู่ตรงหน้าสีหน้าและแววตาของโมโม่ก็เปลี่ยนไปใบหน้าที่เคยบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวบัดนี้กลับยิ้มแฉ่งดวงตาของเธอก็เปล่งประกายสดใสผิดจากเมื่อครู่เหมือนคนละคน ทุกคนรู diabetes, ้ได้ย so, like ังไงคะว่าวันน mm. <Sa> ี้เป็นวันเกิดครบเก้าขวบของหนูหนูขอตัดเค้กเลยได้ไหมคะโมโม่ร้องอย่างดีใจเป็นอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่บ้านเด็กกำพร้าได้ยินโมโม่พูดอย่างนั้นก็มองหน้ากันเลิกหลักในที่สุดเจ้าหน้าที่ซึ่งได้ขอให้ครอบครัวของนานารอโมโม่ก่อนก็ตัดสินใจเดินเข้าไปหาพ่อและแม่ของนานาแล้วก็พูดอย่างอึกอากบอกว่าเออ ได้โปรดเถอะคะ่ะได้โปรดมอบเค้กก้อนนั้นให้แก่โมโม่ตั้งแต่มาอยู่ที่นี่โมโม่ไม่เคยยิ้มอย่างนี้เลยนี่เป็นครั้งแรกที่แกยิ้มได้เพราะฉะนั้นได้โปรดให้โมโม่ได้ตัดเค้กและคิดว่าพวกเราจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างนี้มาก็เพื่อแกเถอะนะคะพ่อกับแม่ของนานานได้ฟังดังนั้นก็รู้สึกไม่พอใจขึ้นมาทันทีเพราะคิดว่าเจ้าหน้าที่คนนี้ขอมากเกินไปพวกเขาตั้งใจจะจัดงานเลี้ยงวันเกิดให้แก่นาน า, นาบุตรสาวสุดที่รัก แล้วก็อุสานนึกถึงเด็กๆที่นี่แต่ทําไมคนที่นี่ถึงได้กล้ามาบอกให้พวกเขาเปลี่ยนไปทําเช่นเดียวกันนี้ให้เด็กอีกคนหนึ่งได้อย่างไรก็ตามไม่ทันที่พ่อและแม่ของนานาจะกล่าวคําปฏิเสธนานาก็พูดขึ้นมาทันทีบอกว่าเออได้ค่ะได้หนูจะมอบเค้กวันเกิดของหนูให้แก่เด็กคนนั้นนอกจากนั้นหนูก็คิดว่าเราควรจะร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้เธอโดยเอ่ยชื่อของเธออีกด้วยนะ จเจ้าหน้าที่ได้ยินนานากล่าวอย่างจริงใจอย่างนั้นก็รู้สึกดีอ่ายินดีเป็นอย่างยิ่งเธอกล่าวขอบคุณนานาซ้ําแล้วซ้ําเล่าเป็นการใหญ่ฝ่ายพ่อกับแม่ของนานาก็ได้แต่ยืนนิ่งพร้อมกับสนเทศใจในการตัดสินใจของนานาเป็นอย่างยิ่งแต่เมื่อมันเป็นความต้องการของบุตรสาวทั้งคู่ก็ยินยอมตามนั้นโดยไม่ได้กล่าวทักท้วงอะไรอีกงานวันเกิดของนานาก็ถูกเปลี่ยนเป็นของโมโม่ไปโดยปริยาย และโมโม่ก็ดูมีความสุขมากที่ได้ตัดเค้กวันเกิดของตัวเมื่อครอบครัวของนานากลับถึงบ้านแล้วพ่อกับแม่ยังกลัวว่านานาจะเสียใจที่ไม่ได้ตัดเค้กวันเกิดก็พูดปลอบใจนานาเป็นการใหญ่เอบไม่เป็นไรนะนานาลูกรักของพ่อเดี๋ยวพ่อจะจัดงานเลี้ยงวันเกิดให้ลูกใหม่นะใช่แล้วแม่ก็จะทำเค้กก้อนใหญ่ว่าเก่าให้ลูกด้วยนะแต่นานาไม่ได้ติดใจเรื่องนี้เลยเธอยิ้มให้พ่อกับแม่ แล้เธอก็บอกว่าไม่เป็นไรเราค่าคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าหนูได้เห็นรอยยิ้มจากคนที่ยิ้มยากที่สุดด้วยเค้กวันเกิดของหนูหนูมีความสุขมากเหลือเกินกับรอยยิ้มของเด็กคนนั้นและนี่ก็ถือว่าเป็นงานฉลองวันเกิดที่วิเศษที่สุดของหนูแล้วล่ะค่ะหนูๆทั้งหลายพอจะเข้าใจไหมครับว่าเพราะอะไรเด็กหญิงนาน า, นาจึงมีความสุขเมื่อเธอต้องเสียเค้กวันเกิดของเธอให้แก่เด็กคนอื่นไป ถ้าเธอเป็นนาณาเธอจะมีความสุขอย่างเด็กหญิงคนนี้หรือว่ารู้สึกเศร้าใจสูญเสียสิ่งที่เธอต้องการไปในกรณีของเด็กหญิงนานาเพราะว่าเธอรู้จักการให้อย่างแท้จริงดังนั้นเธอจึงมีความสุขที่การสูญเสียของเธอทําให้อีกคนหนึ่งมีความสุขยิ่งกว่าเนื่องจากคนเรานั้นหากทําอะไรเพื่อตนเองเพียงฝ่ายเดียวอยู่ตลอดเวลาก็มักจะไม่เคยลิมรสแห่งความสุขที่แท้จริงได้ในทางตรงกันข้ามถ้าเราได้ทําอะไรเพื่อคนอื่น เราก็จะได้รู้จักกับความสุขที่แท้จริงซึ่งมีมากกว่าถ้าหากว่าหนูอยากจะมีความสุขอย่างแท้จริงบ้างหนูก็ควรจะรู้จักการให้อย่างที่นานาได้รู้จักมาแล้วครับอีกเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องของแอนโดรเครสผู้มีใจเมตตาเรื่องมีอยู่ว่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วสมัยที่กรุงโรมยังรุ่งโรจน์ มีทาสหนุ่มคนหนึ่งอาศัยอยู่ในกรุงโรมเขามีชื่อว่าแอนโดคริสแม้ว่าจะอยู่ในฐานะของทาสผู้ตำต้อยแล้วก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากลาบากแต่แอนโดคริสก็เป็นผู้ที่มีใจเมตายิ่งกว่าคนมั่งมีนายทาสที่ซื้อแอนโดคริสมาเป็นทาสนะ้เป็นคนใจร้ายแล้วก็โหดเหี้ยมเขาใช้ให้แอนโดคริสทำงานหนักทั้งวันทั้งคืนและโบยตีแอนโดคริสด้วยแท้ แม้ว่าจะทำความผิดแต่เพียงเล็กน้อยซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วความผิดของแอนโดเครสนั้นก็คือการทำให้นายของตนรู้สึกขัดหูขัดตาโดยไม่มีสาเหตุเท่านั้นเมื่อถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็ข่มเหงจิตใจมากขึ้นแอนโดเครส์ยังตัดสินใจหลบหนีออกจากปราสาทของนายในเย็นวันหนึ่งทาดหนุ่มหนีเข้าไปในป่าแล้วเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในถ้าแห่งหนึ่งตลอดทั้งคืนแล้วก็เผลอหลับไป เช้าวันรุ่งขึ้นแอนโดคริตต้องสะดุ้งตื่นเมื่อได้ยินเสียงคำรามดังมาจากปากถ้ำและเสียงนั้นก็ใกล้เข้ามาทุกทีสักพักสิงโตตัวหนึ่งก็เดินกระโผลกระเพกเข้ามาด้วยท่าทางและสีหน้าที่บ่งบอกว่ากำลังเจ็บปวดเป็นกำลังสิงโตตัวนั้นเห็นแอนโดรคริตแล้วแต่ว่ามันไม่ได้รู้สึกยินดียินร้ายอะไรกับเขาเลยเพราะว่าตอนนี้มันกำลังทุกข์ทรมานด้วยบาดแผลที่เท้าของมันซึ่งบวมขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัด มันส่งเสียงร้องครวญครางอย่างเจ็บปวดก่อนจะล้มตัวลงนอนตรงมุมหนึ่งของถ้ำแล้วก็เลียเท้าของมันอย่างน่าสงสารแอนโดเครสนั้นเมื่อแรกก็รู้สึกกลัวสิงโตจนขวัญห น, นีดีฟออยู่เหมือนกันแต่เมื่อได้เห็นความทุกข์ทรมานจากบาดแผลของมันแล้วความกลัวก็หายไปจากหัวใจของเขาบังเกิดเป็นความสงสารจับใจเข้ามาแทนที่แอนโดเครสจึงคลานเข้าไปหาสิงโตอย่างช้าๆเพื่อไม่ให้สิงโตคิดว่าเขาจะเข้าไปทำร้าย จากนั้นก็ค่อยๆสํารวจบาดแผลที่เท้าของมันแอนโดเครสก็เจอต้นต่อปัญหาแล้วคือปรากฏว่ามีหนามใหญ่อันนึ่งตั้าลึกเข้าไปในเท้าของสิงโตจนเกิดเป็นบาดแผลใหญ่แล้วก็เริ่มอักเสบแอนโดเครสเห็นอย่างนั้นก็ค่อยๆดึงหนามออกแล้วก็ทําแผลให้มันโดยใช้สมุนไพรง่ายๆที่พอจะหายได้ในบริเวณนั้นสามวันต่อมาแผลที่เท้าของสิงโตก็าหายสนิทและถึงเวลาที่มันจะต้องกลับไปยังถิ่นพำนักที่แท้จริงของมัน ก่อนจากกันเจ้าสิงโตได้เดินเข้าไปเลียมือของแอนโดเครสอย่างรักใคร่แอนโดเครสก็พูดกับมันบอกว่าไปเถอะเพื่อนเลยมีบ้านเจ้ารอเจ้าอยู่ที่ไหนสักแห่งใช่ไหมล่ะรักษาตัวด้วยล่ะหากข้าไม่ตายสักก่อนเราคงได้พบเจอกันอีกเสร็จแล้วเจ้าสิงโตก็เดินออกจากถ้าไปด้วยความอาลัยแม้ว่าสิงโตจะไปแล้วแต่แอนโดเครสก็ยังซ่อนตัวอยู่ในถ้าต่ออีกหลายวันเพราะยังไม่ไว้ใจในการตามล่าของเจ้านายของตน ยองกระทั่งแอนโดเครสคิดว่าน่าจะถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วเขาก็เลยออกจากถ้าแล้วเดินทางหนีต่อไปอีกเมืองหนึ่งแต่ว่าโชคไม่เข้าข้างคนดีมีเมตตาอย่างเขาเลยเมื่อพบว่านายธาตใจอัมหิทของเขาก็เดินทางไปที่เมืองแห่งนี้ด้วยแล้วก็พบแอนโดเครสเข้าโดยบังเอิญไอ้ hey, จับเจ้าทาตทรยศนะั้นมันแอบหนีออกจากปราสาทของข้าเจ้านายเขาตะกูลั่นและทุกคนก็ช่วยกันจับตัวแอนโดเครสเอาไว้ นึกว่าจะหนีครับพ้นเรือโจท่ า, ทาผู้ตามต้อยเสร็จแล้วก็ตบหน้าแอนโดเครสอย่างแรงถ้าหากว่านายไม่ทําร้ายข้าอย่างเหี้มโหดเกินไปมีเหลือที่ข้าจะหนีนายไปแอนโดเครสก็พยายามกัดพันตอบโต้ไอ้เอ็เอ ง, เองจะมากไปแล้วข้าซื้อเจ้ามาเป็นทาสเจ้าก็ต้องเป็นทาสรองมือรองเท้าข้าจะให้ข้าเลี้ยงเจ้าเยี่ยงมิตรสหายหรือ ย, ยังไงเลยจนนางโอ้ข้าไม่หวังอย่างนั้นรอกนาย ข้ารู้ตัวเองดีว่าฐานะต่ำต้อยเลยยอมรับในฐานะความเป็นทาสของตัวเองเสมอแต่ข้าก็เป็นมนุษย์เหมือนท่านมีเลือดเนื้อมีจิตใจมีความรู้สึกข้าเพียงต้องการให้ท่านปฏิบัติกับข้าเหมือนกับข้าเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับท่า น, ทานเท่านั้นเอนโดเครสพูดอย่างกล้าหาญก็ทําให้เจ้านายของเขารู้สึกโกรธขึ้นมาอย่างมากมายดีแล้วเจ้าขี้ค่ะถ้าเจ้าคิดได้ถึงขนาดนั้นเดี๋ยวข้าจะพาเจ้าไปพบความอำมหิตโหดเหี้ยมยิ่งกว่าที่เจ้าเคยได้รับจากข้า ว่าแล้วนายทาตก็จับตัวเขาส่งเข้าคุกหลวงของกรุงโรมซึ่งในสมัยนั้นได้มีการบัญญัติโทษสําหรับทาตที่หลบหนีนายทาตอย่างรุนแรงกล่าวคือทาตที่หลบหนีนายของตนจะต้องถูกจับโยนเข้าไปในสนามประลองที่มีสิงโตโดยมีมีดสั้นด้าำเดียวเป็นอาวุธสําหรับต่อสู้และรอบๆสนามประลองนั้นจะมีชาวเมืองซื้อตั๋วเข้ามาชมการประลองอันแสนอมหิตระหว่างคนกับสิงโตอย่างสนุกสนาน รวมถึงพระราชาและพระราชินีแห่งรมูมก็จะเสด็จมาทอดพระเนตรการประลองครั้งนี้ด้วยซึ่งที่แล้วแล้วมาการประลองจะสิ้นสุดลงเมื่อคนถูกสิงโตฆ่าตายแล้วก็ตกเป็นอาหารนั่นโอชะของสิงโตเสมอทุกอย่างเป็นไปตามกฎแอนโดรเกสถูกนําตัวมายังสนามประลองแล้วก็มีมีดสั้นเล่มเดียวในมือสักครู่หนึ่งประตูก็ปล่อยสิงโตให้เปิดออกสิงโตหิวโซตัวหนึ่งวิ่งออกมาจากประตูบานนั้นและคำรามด้วยความโกรธ มันมองไปทาง ates, แอนโดคริสก็วิ่งตรงไปหาเขาทันทีผูงชนพากันส่งเสียงโห่ร้องอย่างป่าเถื่อนพร้อมกระรอดูผ้าแผงความอำมหิตที่กําลังจะเกิดขึ้นโดยความตื่นเต้นแอนโดครสไม่ชอบทําลายชีวิตใครแต่ในนาทีนี้เขาตกใจมากสัญชาตญาณบอกให้เข้าสู้เพื่อการมีชีวิตอยู่ดังนั้นแอนโดคริสจึงเงื้อมือมีดในมือขึ้นเพื่อป้องกันตนเองจากสิงโตที่หิวโซและแสนดุร้ายตัวนี้ แต่แล้วในขณะที่แอนโดเครสกำลังเหื้อยมมีดขึ้นอยูยูสิงตัวตัวนั้นก็หยุดชะงักการมุ่งทำร้ายแล้วก็ไม่ส่งเสียงคำรามอันน่าหวาดกลัวอีกมันเอียงคอมองแอนโดเครสอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะค่อยๆเดินเข้ามาหาอย่างช้าๆแล้วเข้ามาเลียมือเลียเท้าของแอนโดเครสอย่างรักใคร่แอนโดเครสก็จำสิงโตตัวที่เขาเคยช่วยไว้ในถ้ำได้แล้วก็เข้าไปโอบกอดรอบคอมันด้วยความปิติ ผู้ชมทั้งหมดในที่นั้นจ้องมองสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยความตกตะลึงพวกเขาคิดว่ามีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นก็พากันปรบมือดังสนั่นทั้งสนามประลองพร้อมทั้งส่งเสียงตะโกนด้วยความยินดีพระราชาแห่งโรมทอดพระเนตรอย่างนั้นก็รับสั่งให้นำตัวแอนโดคริสมาเข้าเฝ้าเพื่อตรัสถามความเป็นจริงเกี่ยวกับเรื่องราวอันน่าประหลาดนี้เจ้าเป็นใครกันแนะ่ทำไมสิงโตที่สาดุร้ายตัวนั้นถึงไม่ข่าเจ้า แต่กลับทำเหมือนว่าเจ้าเป็นมิตรกมันฮะคกลาบทูลฝ่าพระบาทกระหม่อมเป็นเพียงข้าทาสตำต้อยธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นและที่สิงโตตัวนั้นไม่สังหารกระหม่อมก็เพราะว่าเราทั้งสองมีไมตรีต่อกันอา้าวแล้วไมตรีนะั้นมันเกิดได้สาเหตุอะไรละ่ะไมตรีระหว่างกระหม่อมกับสิงโตตัวนี้เกิดขึ้นเมื่อกระหม่อมหลบหนีนายทาสผู้ทารุณกับกระหม่อมเข้าไปอยู่ในถ้ำแล้วก็เห็นมันกำลังเจ็บปวดทรมานเพราะมีหนามตําเท้า กระหมอมก็เลยช่วยเอาน้ำออกแล้วก็หายามมารักษาให้จนเท้าของมันหายดีเป็นปกติจากนั้นเราทั้งสองก็แยกกันพยาค่ะคำตอบของเขาทําให้พระราชาพระราชนีและราชบริพารในบริเวณนั้นส่งเสียงอุทานพร้อมกันด้วยความทึ่งในความกล้าหาญเกินมนุษย์ของเขาเอา้าวแล้วเจ้าไม่กลัวหรือ ว, ว่าสิงโตตัวนั้นกําลังบาดเจ็บมันอาจจะงุดหงิดจนขย่ําเจ้าก็ได้ไม่เลยฝ่าพระบาท ในเวลานั้นกระหม่อมได้รับการทำร้ายจากเจ้านายมาเป็นเวลานานจนแทบจะไม่เข้าใจว่าการมีชีวิตอยู่มันดียังไงอีกแล้วเมื่อกระหม่อมเห็นสิงโตกำลังทุกข์ทรมานกระหม่อมก็รู้สึกสงสารมันมากและคิดว่าจะยอมตายโดยเชื่อช่วยเหลือสิงโตดีกว่ากลับไปเป็นทาสของนายผู้เหี้ยมโหดที่ทำราวกับกว่าวกระหม่อมไม่ได้มีค่าพอที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์ตลอดชีวิตเล ย, ยค่ะพระราชารู้สึกพอประทัยในคำตอบของแอนโดคริสมาก ก็ทรงลุกขึ้นรับสั่งประกาศต่อฝูงชนในที่นั้นว่าเราขอประกาศให้ทุกคนรู้นับจากนี้หนุ่มน้อยแอนโดคริสจะไม่เป็นทาสอีกต่อไปข้าขอสั่งให้นายของแอนโดคริสปลดปล่อยเขาให้เป็นอิสระแอนโดคริสจะเป็นไทยแก่ตนนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสิ้นเสียงรับสั่งชาวเมืองทุกคนในที่นั้นก็พากันโู่ร้องแสดงความยินดีให้แก่แอนโดคริสชายหนุ่มผู้หานเข้าช่วยสิงโตดุร้ายด้วยใจเมตตา หนูๆทั้งหลายครับการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเมตตานั้นเป็นเรื่องดีมากแต่อยากให้เธอลองทำสิ่งที่ยากกว่านั้นอีกสักหน่อยนั่นก็คือการมอบโอกาสช่วยเหลือเจือจุนคนที่เธอคิดว่าเขาเป็นคนร้ายกาจอย่างที่สุดซึ่งเป็นการทำความดีที่ยากขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งแล้วก็ไม่ใคร่มีใครทำนักคนร้ายกาดนั้นอาจจะมีเหตุผลลึกๆบางประการที่ทาให้เขาต้องร้ายกาจซึ่งยากที่จะเข้าใจแต่มีคนร้ายกาจหลายคนทีเดียว ที่ต้องร้ายกาจก็เพราะว่าเขาไม่เคยได้รู้จักกับความรักและความเมตตาดังนั้นเขาจึงไม่รู้ว่าจะทําดีกับคนอื่นอย่างไรเพราะไม่เคยมีใครทําดีกับเขามาก่อนดูอย่างเรื่องของแอนโดรโครสกับสิงโตตัวนี้ถ้าคนทั่วๆไปเดินไปเจอสิงโตนอนเจ็บปวดอยู่ในป่าเขาจะทําอย่างไรหลายคนคงจะรีบวิ่งหนีเพราะกลัวว่าสิงโตจะทําร้ายทั้งๆ ท, ที่มันกําลังอ่อนแอ บางคนอาจจะช่วยโอกาสตอนนี้สังหารมันเพื่อความปลอดภัยของตัวเองได้ซ้ําจะมีสักกี่คนที่กล้าเสี่ยงชีวิตเข้าไปช่วยสิงโตเพราะมีความเมตตาสงสารเกิดขึ้นอย่างแอนโดคริสด้วยเหตุนี้สิงโตจึงตอบแทนบุญคุณแอนโดคริสโดยไม่เพียงแต่ไม่ฆ่าเขาในสนามประลองเท่านั้นหากแต่ยังปลดปล่อยเขาไปสู่อิสระภาพอีกด้วยครับ